บาเอโซติงสปารมีนามิศิรสานิจังปุเรตวะอาคตวรังโมคังนาโทอภิชันโตเดวายังสริตวะหิตวะสระตะกัง โมทังวะเนสุดุการังนา ม, ามิศิราสารังพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ทวนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวเป็นนิด พระนาถาเจ้าทรงปรารถนาโมกษธรรมได้สละพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมทั้งแว่นแคว้นน้อยใหญ่แล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าว ตัดสามูรังมหาญาโนอุปเปภ์สิโพธิมันดเดรตัดสะมุทธสปาเดเจาสโบทตโยนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพญานันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ ได้ทรงเสด็จมาใกล้ควงไม้โพธิพึกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิพึกอันสูงสุดนั้นด้วยภาคาวาอาคมะเคนาปัญจามาเรอาเสสโตพันชิตวาสิขาปโต สัพพลังคังนามิตังขันตวามุนิวโรตมห้าอนิมิเสวราสเนขันันเณปุณจันโดวาสาณิมิสังนามมิตังวันตามิโซนเพนาโท ดัศตวาปาติหาริย์วาซาโดวิจังกมีสจังกามังนามิตังโตรันนติตสังกาโซโลกะโครัตนาคเรโตเซสิฉนังรังเสหี สักขาราังนามหามีตาหงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าพร้อมทั้งกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรหั t h a m a k y a ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระจอมมุนีเสด็จจากโพธิพฤกษแล้วเสด็จประทับหนา้าสถานที่อันประเสริฐ ด้วยพระเนตรที่ไม่ ก, กระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพนบนท้องฟ้าข้าพระเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับสถานที่ประทับยืนไออันไม่กระพริบพระเนรนั้นพระนาถาจ้าผู้คลายจากอามิตรคือกิเลสแล้วทรงแสดงยะมะกะปฏิหารอันน่าอัศจรเสดัจจงกรมดังราชสีนรัตนาจงกรมเจดีนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้นด้วยเสียงแก้าพระไตรโลกนาถผู้เปรียบดังเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับอยู่ในรัตนคราเจดีเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมนัติยินดีด้วยพระราชมีตาคือพระฉับพลันรังสีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์นั้น พร้อมด้วยรัตนคระเจดีเจริดีเรือนแก้วนั้นด้วยความเคารพขโมทนากับเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสตั้งอัธยาศัยในการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาที่เราสวดมนต์นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพุทธังสารนังคัฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้ารู้อยู่บัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงจนตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิต ข้าพเจ้าขอถึงประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่ระลึกเป็นที่กาจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่จุดสุดรอบจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบคำว่าคัตฉามิ หมายถึงกริยาเขาแปลว่าไปแปลว่าถึงแสดงถึงกริยาที่น้อมเข้าไปหากริยาในที่นั้นหมายถึงสภาพจิตใจที่เข้าไปหาเข้าไปหาไม่ใช่ไปเข้าไปสแสวงหาคนคว้าเอามาเป็นที่พึ่งชนิดอิทธิปฏิหารหรือดลบรรดาล น, นะแต่เป็นการน้อมนา ม, มาธรรมหรือรูปธรรมเข้าไปหาเพื่อไปฟัง ไปศึกษาเมื่อไปฟังไปศึกษาแล้วจะได้เข้าใจการฟังการศึกษานั่นแหละเขาเรียกฟังให้ถูกต้องให้ความเห็นให้ถูกต้องทำความรู้ความเข้าใจให้ชัดว่าการตั้งอัทยาศัยให้มั่นคงในพุทธโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า เราจะต้องตั้งจิตให้เป็นไปกับกุศลจะต้องวางอัธยาสาัยของตนเองนั้นให้มีความตั้งมั่นไม่หวันไหวจะต้องใช้ความฉันทะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะน้อมเข้าไปทํากิริยาคือน้อมจิตของตนเองเข้าไปในการที่จะรับรู้ในการน้อมฉันทะเข้าไปนั้นสมาธิต้องตั้งมั่นความเพียรพยายามในการที่จะประคับประคอง สภาพจิตใจของตนเองนั้นให้มีความมั่นคงและในขณะเดียวกันก็ต้องขจัดบาปในใจก่าวคือความโลภความโกรธความมัวเมาลุ่มหลงทั้งหลายให้ออกจากจิตทำความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะน้อมเข้าไปในการที่จะฟังในการที่จะศึกษาในการที่จะเรียนรู้และในการที่จะใส่ใจเป็นระยะระยะว่าตอนนี้ สภาพจิตของเราที่น้อมเข้าไปเพื่อจะศึกษาแล้วเนี่ยลำดับแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นในใจไหมก็คือสภาพจิต ท, ที่เป็นไปได้ฉันทะที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าเราจะต้องเข้าถึงเราจะต้องน้อมเข้าไปในการที่จะเข้าถึงสารณนะเข้าถึงพุทธรัตนะด้วยการรู้จักที่จะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครอย่างไรเป็นต้นพุทธะมีสอง ลักษณะนะลักษณะที่เป็นบัญญัติกับลักษณะที่เป็นสภาวะประมัตดลักษณะที่เป็นบัญญัติก็แปลว่าเรารู้เรื่องราวความเป็นมาของพระจริยาคุณรู้เรื่องราวความเป็นมาของพระสรีลักคุณและพระพุทธคุณอย่างยาวไกลตามคําสอนแต่ถามว่าแล้วสภาวะประมัตดเราเราสามารถที่จะเข้าใจไหมว่าน้องก็ไปปฏิบัติตามความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้า ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อความดับวัตถุทุกจริงๆเนี่ยถามว่าสภาวะดับทุกนี่เป็นสภาวะพุทธะนะก็ต้องมาพิจารณาดูว่าสี่ห้าวันวันนี้เป็นวันที่หกผ่านมาแล้วเนี่ยสภาพจิตใจของเราเนี่ยน้อมไปไหมน้อมเข้าไปหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ถามบอกว่าคนเราอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนเนี่ย ในข้อนี้พุทธโอวาทบอกว่าเราจกเป็นผู้ไม่เบียดเบียนถามว่าตอนนี้ความคิดของเราทั้งหลายได้หันเหออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือความคิดที่เบียดเบียนกลับเข้าหาความคิดที่มีความกรุณาสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาสัตว์ทั้งหลายอย่างจับจิตจับใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตาย ขอ้อยสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความเกิดความล่ำไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจขอใ้อยสัตว์ทั้งหลายนั้นจงพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายแม้อัตภาพของตนที่จมอยู่กับวัตทุกข์ก็ขอ้อยอัธยาศัยของข้าพเจ้าพ้นจากวัตทุเนี่ยความคิดในการที่จะไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยมันฝังแน่นในกระแส ค, ความคิดของเราหรือไม่ ถ้าน้อมเข้าไปในลักษณะอย่างนี้แค้บน้อมเข้าไปฟังและปฏิบัติตามพุทธโอวาทเมื่อพุทธโอวาสบอกว่าชันทานอุศสของเธอยังไม่แข็งแรงรับฟังพุทธโอวาทไหมเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอัธยาศัยพฤติกรรมบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยจากบุคคลที่เดินทานกุศลไม่เป็นกลับมาน้อมเข้าหา ฝึกเดินทานกุศลให้แข็งแรงตอบพื้นฐานเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยเชื่อพุทธโอวาสหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าใครรู้จักทานกุศลรู้จักทานบา ร, รมีอย่างที่พระธราคตรู้บุคคลเหล่านั้นที่จะไม่ให้ก่อนแล้วบริโภคทีหลังเป็นไม่มีเข้าใจพุทธพจน์ต ร, ตรงนี้ไหมว่าพุทธโอวาตรงนี้เนี่ย ในฐานะที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเนี่ยน้อมเข้าไปศึกษารับฟังและจะปฏิบัติตามโดยโดยความเคารพว่าเพราะทานกุศลของเราไม่แข็งแรงนี่แหละเราจึงมองเห็นว่าไม่สำคัญไปเข้าใจว่าการเจริญกุศลเราจะต้องรีบเดินเข้าถึงสมาธิและปัญญาทีเดียวเลย ที่สุดจริงๆสภาพทานกุศลศีลกุศลก็อ่อนแอที่สุดจริงๆก็ไปกันไม่เป็นหรือไม่นี้แหละโทษจากการไม่ปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนคารวา่าทั่วไปวอกทานนากถากล่าวเรื่องทานศีลกถากล่าวเรื่องศีลสัขกขะถ า, ากล่าวเรื่องสวรรค์กามาทีนวกถา กล่าวเรื่องโทษของกามคุณเนคคำมานี้สังสักถากล่าวถึงการทากจิตออกจากภาพกายออกจากกามคุณทั้งวัตถุกรรมและกิเลสสกามแล้วพระบรมศาสดา จ, จึงสรุปลงในอริยสัจธรรมคือสอนให้เรารู้จักทุกสอนให้รู้จักทุกเอาที่ผ่านมาเราก็เห็นทุกแล้วเนี่ยถามว่าทุก์เหล่านั้นเนี่ยมันใช่ทุกในความหมายของอริยสัจหรือไม่ ก็ต้องบอกว่ามันทุกเน่มันใช่แต่ความที่ยานปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจริงที่ไปรู้ทุกเนี่ยมันกลายเป็นเอาโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเข้าไปรู้ก็เลยอยากพ้นทุกขโดยอุบายที่ไม่ชอบการเดินที่ผิดพุทธโอวาทเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดในสังสารวัตที่ผ่านมาเนะเพราะเราตั้งท่าทีวางใจในทุกนั้นผิดพลาด ฉะนั้นเพราะาเราไม่เป็นไปตามลำดับแห่งพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนอุบาสกอุบาสิกาใช่หรือไม่โอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอุบาสกบาสิกาเนี่ยพระองค์สอนเรื่องอนุปูพีกถาจึงสรุปลงด้วยอริยสัจเราต้องเข้าใจทานต้องเข้าใจศีลและต้องมาพิจารณาว่าทานกุศลศีลกุศลเนี่ยมันให้ผลเป็นสุคติอย่างไร เมื่อเข้าใจเบียดเสร็จอย่างนี้จึงต้องมาวิจัยอีกทีนะทำความเข้าใจให้ชัดตีทีว่าแม้สุคติเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของชาติคือความเกิดอย่างไรชลาคือความแก่อย่างไรพยาธิคือความเจ็บไข้มระาคือความตายและความโศ ค, ความล่ำไหลลำพันจะต้องไปเจาะประเด็นกันอีกทีนะเพราะเรารู้แบบชนิดที่ ไม่เป็นไปตามพุทธโอวาสโดดข้ามพุทธโอวาสหรือไม่ก็จงตระหนักคำ น, นคำนั้นเขาเรียกว่าพุทธคลรวตาเขาเรียกว่ามีความตระหนักในคุณของพระพุทธเจ้าในพุทธโอวาสแล้วพร้อมที่จะกลับกระแสะความคิดใหม่เดินตามพุทธโอวาสอย่างแท้จริงน้องไปศึกษาปฏิบัติตามความตัดสรู้ดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตััสรู้อะไร ตัทรู้สัมมาสัมปวรรจนาสัมมาสัมปวริจาณแทงตลอดอะไรสัจจะทั้งสี่ก่อนจะแทงตลอดสัจจะทั้งสี่พระ อ, องค์ทำอะไรพระ อ, องค์บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีทำไมเราโดดขั้นข้ามพระพุทธเจ้าใช่ไหมเล่าฉะนั้นพุทธโอวาทเราต้องชัดนะต้องแข็งแรงนะต้องไม่หวั่นไหวนะคนบางคนบอกว่า ถ้าเราเปลี่ยนหลักเดิมของเราแล้วเราจะมีที่พึ่งได้อย่างไรถามว่าทำไมเราต้องกังวลกับสิ่งที่มันไม่มั่นใจเราเออปกติเนี่ยถามบอกว่าสาระเราชัดหรือยังคำว่าคัจฉามิที่แปลว่าไปแปลว่าถึงเนี่ยกิริยาที่น้อมเข้าไปทางกายและกิริยาทางนามธรรมที่มีศรัทธาเป็นประธานที่มีเจตนาคือความตั้งใจมุ่งมั่น และที่มีปัญญาที่เข้าไปศึกษาเพื่อจะเรียนรู้เข้าใจคาสอนของบุรุษเจ้าและประพฤติปฏิบัติบางท่านบอกว่าแกแล้วเรียนไม่ไหวฟังไม่ได้ถามว่าถ้าเรียนไม่ไหวฟังไม่ได้แล้วเราที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยใช่เรียนไหมทำไมเราเรียนสเปรสะปะทำไมถึงเรียนสับสนเล่าก็เรียนที่มันสามารถที่จะขัดเราตัวเองจริงๆซิ เรียนให้เป็นไปตามลำดับให้เป็นไปตามลำดับพระธรรมคำสอนนะถ้ายังไม่เข้าใจทานเนี่ยก็ศึกษาทานกุศลให้ชัดว่าทานกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจศีลกุศลก็ฟังให้เข้าใจให้ชัดไม่เข้าใจภาวนากุศลก็ฟังให้ชัดและในขนาดเดียวกันกุศลเรามันไม่ได้หายไปไหนนะอย่ากลัวถ้าเราจะไม่ได้ใส่ชุดขาวเข้าไปนั่งกรรมาฐานในวัด อย่า ก, กลัวอันนั้นมันคือนะีคืออย่าเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเล้าที่จะพาให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเมื่อคนอื่นพ้นทุกข์อยู่กันหมดแล้วเราจะอยู่กับใครอย่าไปกลัวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านพระเจ้ามาไม่รู้กี่แสนองค์แล้วแล้วทําไมไม่เคยคิดว่าเราหน้ากลัวบางเรา บางคนกลัวจะไม่ทันเพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รีบใหญ่รีบไปรีบมาวนไปวนมาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เดวนี้ไปรับอะไรมาบ้างเดี๋ยเนี้ปัญหาครูบาอาจารย์เห็นก็โอโห้หนั่งหนักใจแล้วแค่ของเดิมมอกโอ้ฉันเป็นคนไม่เต็มเติมได้ตลอดเวลาแต่ของเก่าที่ผิดขอเอาไว้นิดนึงไอย้ยางเงี้ยก็ไม่ยอมถ่ายทอน ถามว่าเอาพุทธโอวาทมาอ้างอันนั้นก็อีกข้อหนึ่งแม้อาจารย์ทุกท่านก็เอาพุทธโอวาทมาอ้างไปอีกแล้วเดี๋ยวนี้ถามว่านี่ไงชนะสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องตังต้ ง, ต ง, ต ง, ตงหลักให้ชัดว่าคำว่าคัดฉามีแปลว่าการน้อมเข้าไปปฏิบัติตามความตัดสุรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อดับทุกเพื่อความดับทุก ทำไมต้องดับทุกข์เราทำไมต้องดับทุกข์เราเข้าใจว่าทำไมต้องน้อมเข้าไปเพื่อดับทุกข์ทีนี้ถ้าเราจะดับทุกข์เนี่ยคําว่าคัตฉามิไม่ใช่แค่เจียยาที่น้อมเข้าไปอย่างเดียวนะไม่ใช่แปลว่าถึงอย่างเดียวนะ ย, ยังแปลว่าการรู้และเข้าใจด้วยฉะนั้นถ้าเราจะดับวัฏจทุกข์เนี่ยเราต้องรู้ ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างไรแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้แล้วจะได้ปฏิบัติแล้วเดินตามการประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้เข้าถึงอย่างไรนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งแสดงถึงการที่เป็นผลของการศึกษาปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติจึงรู้จึงเข้าใจด้วยตนเองว่าพุทธธรรมสังฆะ เป็นที่พึ่งเพื่อความพ้นภัยดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยตรงนี้ความหมายของคาว่าคัดฉามีจริงแปลไปแปลว่าถึงแปลว่ารูร้เข้าใจเนี่ยล้วนแสดงถึงพุทธธรรมสังฆะอันเป็นตัวสภาวะปรมัาถเนี่ยเป็นจารณะเป็นที่พึ่งกระจัดภัยได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อได้ศึกษาปฏิบัติพระสัตธรรมตามความภาคเพียรวยายามมันต้องภาคเพียรพยายามต้องมีชันท้าอย่างแรงกล้า ในการที่จะน้อมกิริยาน้อมสภาพจิตที่เข้าไปต้องมีฉันท้าที่แรงกล้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จับพ้นจากทุกข์ถามว่าเราดูนาถาปินทิการเศรษฐีเนี่ยน้อมเข้าไปไหมศรัทธาไม่ฉันท้าไหมมีกำลังไหมบอกมีเพียงได้ยินเขาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พยายามจะขออนุญาตเพื่อนเพื่ อ, อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนกลางคืนเพื่อนก็บอกว่าไม่สมควรนะ ท่านอย่าไปตอนกลางคืนเลยตอนนี้เป็นเวลาที่ไม่สมควรเพราะประตูเมืองปิดแล้วพอได้ยินแค่นี้ฉันทาก็หมดกำลังลงเราก็มาสังเกตดูทีว่าตัวศรัทธาตัวฉันทาของเราเนี่ยมันจะมีกำลังเป็นระยะระยะสังเกตไหมแต่พอเจออุปสรรคเจอปัญหามันก็ตกทุกทีเป็นอย่างนี้ไหมล่ะ เ, เหมือนานาณาถาปินทกาเสถีเนี่ยพอบอกว่าประตูเมืองปิดฉันทาก็ตก อันนี้เรียกฉันทะของอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีเป็นฉันทะที่ไม่สามารถมีแรงกระตุ้นภายในได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอีกเยอะกระตุ้นทั้งๆที่อาศัยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเวฬุวันแต่ฉันทะของอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีตกหลังจากเพื่อนบอกว่าประตูเมืองปิดก็ดูสภาพชันทะของเราที่ว่า เรามีฉันท่าเรามีความรากักความปรารถนาอย่างแรงกล้าในภารตะนาไตรที่เราต้องการจะเข้าถึงหรือจะทำกิริยาสภาพใจหลังให้เข้าถึงหรือในกรณีที่จะเข้าไปรู้จริงๆไหมทีนี้พอทําท่าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะเข้าถึงขึ้นมาพอเจออุปสรรคนิดหน่อยแล้วมันตกลงมาดูทีอย่างอาณาถาในเจออุปสรรคภายนอกปุ๊บแล้วอุปสรรคภายในก็บอกว่าเอออย่าพึ่งไป แต่พออยู่ต่อมาด้วยการที่ท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าอีกแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นเป็นพออระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้พระ อ, องค์เองฉันทะขึ้นไหมขึ้นแล้วเราล่ะเวลาคิดอย่างนี้ไขว้กวรอย่างนี้ใส่ใจอย่างนี้แล้วปลุกเร้าฉันทะหรือศรัทธาขึ้นไหมสังเกตใจที่ขึ้นไม่ขึ้นหรือ พอคิดๆอย่างนี้มันก็แว บ, บลงมาอีกแล้วเราตรึกบ่อยไหมใส่ใจบ่อยไหมถ้าคุณว้าเหวย์อะอยู่คนเดียวล่ะคุณทุกข์ล่ะไม่มีเพื่อนล่ะสภาพใจมันตกลงอีกไหมชันท้ามันอ่อนแรงลงไหมและอ่อนแรงล่ะมีวิธียังไงนั่งอย่างนี้กีเลสมันรบกวนอยู่เป็นระยะระยะเนี่ยกระตุ้นปลุกเรา ย, ยัางไง เราเคยทำแต่เรื่องหยาบๆนะเช่นเวลาฟังไปเนี่ยเออเราขยับไปบ้างเขียนหนังสือไปบ้างอะไรบ้างิึงจะช่วยไม่ให้หลับได้เนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าแรงกระตุ้นภายในอ่อนแอใช่ไหมแล้วรู้ตัวไหมปัจจัยภายในเราอ่อนแอมากเนี่ยเราไม่ปลุกร้าวเลยอะ่ะโดยข้อเท็จจริงอะ่ะแล้วโยนิโสหายไปไหน การใส่ใจถูกไปยังไงการใส่ใจคิดด้วยปัญญาเป็นยังไงที่จะเป็นแรงกระตุ้นทําให้บาปอกุศลธรรมอลามกในกระแสความคิดมันตกหายไปเนี่ยแต่ทําไมเวลาคุณไปใส่ใจทางโลกฉันทะคุณมีกําลังอย่างถามว่านั้นเป็นกุศลฉันทาไหมอันนั้นเป็นปัญหาฉันทะนะในขณะคุณที่ขยันในการทํางานขยันในการกิจการทางโลกทั้งหลายเหล่านี้โดยมากเป็นตันหาฉันทะนะเป็นฉันทาในกรมคุณเนี่ย แต่เวลาจะเดินกุศลจะเพียรพยายามกระตุ้นใจของเรเองเนี่ยบวกเราฉันทะมีความปราถนาอย่างแรงกล้าเนี่ยถามทีว่าการถึงสารณะเนี่ยการถึงสภาพศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรตนาตรัยเนี่ยสําคัญกว่าชีวิตไหมสําคัญกว่าไหมมันสําคัญกว่าวายะไหมทําไมทําฉันทะ ทำศรัทธาตรงนี้ให้เกิดไม่ได้ฉะนั้นก็ระดมถามว่าตอนนั้นเพราะขาดอะไรขาดวิริยะขาดการระดมความเพียรไม่ละบาปที่กำลังเกิดและไม่ป้องกันบาปถามว่าถ้ารู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มากด้วยตัณหามากด้วยความยึดติดทำยังไงต้องละตัณหา ต้องละความยึดติดละยังไงก็พิจารณาที่ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันมีโทษมันเป็นเหตุของอะไรมันเป็นเหตุของความเครียดมันเป็นเหตุของความทุกข์ทำไมเราเครียดเพราะเรามีตัณหามากเรามีความยึดติดพอมันไม่ได้อย่างที่ตัณหาต้องการมันก็เครียดมันก็ทุกข์มันก็วิตกกังวล ทำไมไม่เห็นโทษมาเนาไอ้ตันหามันเป็นโทษฉะนั้นเราจะต้องเดินออกจากตันหาให้ได้ก็ปลุกเราฉันทะมีความรักอย่างแรงกล้าทีนี้อนาถปินธิกาเศรษฐีก็ไข้ควรเพราะรู้ว่าสภาพของฉันทะตกแสงสว่างปลาโมดปิติก็พัอลเออพรุ่งนี้ไปเฝ้าก็ได้ ก็เหมือนบอกว่าเราฟังธรรมะเนี่ยไม่ต้องตั้งใจมากหรอกเรา เ, าเทพมาบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวเราฟังจากซีดีก็ได้มันเรื่องเดิมนั่นแหละนี่คือความไม่เข้าใจนี่คือความไม่เข้าใจว่าในขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ตั้งชันท่ายอย่างแรงกล้าในขณะฟัง ก็คิดกิเลส ก, ก็รายงานรายงานฉันทะก็ตกแล้วก็ฟังธรรมดาก็ได้เรื่องแบบนี้เราฟังมานานแล้วตามฟังมานานแล้วคุณแทงตลอดแค่ไหนถึงได้ยังเห็นเห็นฉันทะที่มีความรักพระรัตนตรยัยรักพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเหตุนั้นว่าผู้มีพระเจ้าเนี่ยกว่าจะอุบัติเกิดขึ้นกับพระเจ้าเนี่ยเห็นฉันทะที่ไปนแนบสนิทในพระพุทธเจ้าชัดไหม เห็นเห็นสารณะตนเองหรือยังว่าตนเองได้ที่พึ่งหรือยังได้ฉันทะที่มีความรักในพระรัตนตยอย่างแรงกล้าได้ที่พึ่งตรงนั้นหรือยังได้เครื่อนกำจัดภัยหรือยังและสามารถทำชันทะหรือศรัทธานะเกิดขึ้นในความคิดได้หรือยังถ้าเกิดไม่ได้กิเลสก็เกิดแทนเนี่ยแปลว่าคุณก็ยังไม่ได้สารณะก็ยังไม่ได้สารณะอยู่ดี เพราะใจไม่มีความตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วกิเลสในใจไม่ได้ลดลงใช่ไหมล่ะการเข้าถึงมีปัญหาไหมมีอีกแล้วทำไมจึงมีจิตอ่อนแอทำไมจึงอ่อนแอทำไมจึงอ่อนแอแพ้กิเลสทำไมจึงแพ้กิเลสทำไมจึงแพ้กิเลส เพราะเราไม่ฉลาดในการที่จะรู้ตัวว่าตอนนี้มันไม่ใช่กุศลเกิดมันเป็นกิเลสรู้ตนเองไหมว่าตนเองกิเลสประเภทไหนมีกำลังบางคนเกิดมาไม่เคยรู้เลยอ่ะไม่เคยรู้เลยอ่ะถามเมื่อไม่รู้จักหน้าเขาเนี่ยเวลาโจรมันขึ้นมาบ้านเนี่ยคนมันเข้ามาันมาตลอดเราจะคัดเลือกได้ไหมว่าไอ้คนนี้ให้เข้าบ้านคนนี้ไม่เข้าบ้านจากไม่รู้จักเลย เนี่ยเราไม่รู้จักหน้ามันไงไม่รู้จักหน้าตาของเขาเห็นไหมตอนนั้นอานาถตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระริยานี้เนี่ยท่านก็ไม่รู้ท่านปล่อยศรัทธารอดแล่นแท้ที่จริงควรจะไปเฝ้าด้วยเจ้าตอนนั้นเน่ะควรจะไปฟังธรรมตอนปฐมยามอ่ะตอนหกโมงนะเป็นต้นเนี่ยแต่ตัวเองก็เห็นไหมสู้กกิเลสสู้สู้สู้นะเขาก็ยอมสู้สู้สก็ยอม เวลาเราฟังธรรมเราเป็นอย่างนี้เตะไหมถามว่าอาณาถาท่านรอดพ้นแล้วแล้วเราอ่ะอันนี้เอาเอาเอ า, เอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแบบฉบับแล้วเรียรู้ว่าเวล า, าฟังธรรมเนี่ยใจเราเป็นอย่างนั้นไหมลองเช็กสภาพจีตถ้าเราเข้าถึงสรารนะจริงเนี่ยสภาพจิตของเราเป็นยังไงเราประคับประคองแลวก็เป็นไป ก, กุศลได้จริงหรือไม่มันไม่ใช่อย่างที่เรามองเห็นว่า เออติดทำรูปแบบได้ถือว่าใช้ได้ไม่เข้าถึงไม่ได้สารณะ